ก็ผู้ที่แสดงทางด้วยภาษาอังกฤษมากกว่าแต่ในวันนี้เขาก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ไม่มีผู้ำํำไม่มีผู้เลก็ธรรมาจะอธิบายด้วยภาษาไทยเข้าใจไหมเข้าใจ อยู่ท้งไรทำอย่างไรเราสามารถหลุดพ้นจากสัมสารวาได้ปฏิบัติอย่างไรเราสามารถหลุดพ้นจากสัมสารวาได้ไม่มีคำตอบ มีสองทางที่สามารถเราปฏิบัติได้สมถะญาณิกและวิปัสสนาญาณิกบุคคลที่ปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาและบุคคลที่ปฏิบัติวิปัสสนาโ ด, โด้วยตรงบุคคลสองชนิดนี้ เป็นบุคคลที่สามารถหรลุดพ้นจากสามสาระวัติได้ที่ศูนย์ปฏิบัติที่อัตนาที่อัตตมาสอนอยู่นั้นมีสมถะญาณนี้ก็มีวิปัสสนาญาณนี้ก็มีโยมสาธุชนทั้งหลาย อยากจะปฏิบัตแบบไหนตอบได้ไหมโยมผู้ชัยตอบได้ไหมโยมอยากจะปฏิบัติแบบไหนสมถะญานิกเลวิปัสนาญานิก วิปัสนาญาณิกยงมููหญิงวิปัสนาญาณิกถ้ า, างา น, นวันที่สอนอนาบานะไม่ได้แล้วโ <c oughs> ยงมทงั้งหลายสาธุชนทั้งหลายเข้าใจวิปัสนาญาณิกจะปฏิบัติอย่างไรไหม เข้าใจไหมแต่อะธมาก็เข้าใจกันว่าเข้าใจว่าทุกคนก็อยากจะเป็นวิปัสสนาญาณิกใช่ไหมคนผู้ปฏิบัติส่วนมากคิดว่าตัวเองเป็นวิปัสสนาญาณิกในเวลาที่ครูบาอาจารย์ถามก็ตอบว่าอยากจะเป็นวิปัสสนาญาณิก ถ้าเป็นวิปัสสนาญาิกโยมต้องปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นที่โยมต้องเข้าใจวิปัสสนาญานิกตามครูบาอาจารย์และวิปัสสนาญาิกตามพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าโยมอยาจะ เรียกทางไหนตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมทีถ้าอย่างงั้นดูวันโตไปอดัมมาจะอธิบายสมถะญานิกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสอนอย่งางไรไว้ ที่ปสานายานิกยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติอย่างไรในปัจจุบนันนี้ชาวพุทธทั้งหลายไม่ว่าชาวพมา่าหรือชาวไทยไม่ค่อยเข้าใจกันเหมือนกัน ถ้าวิบัสนายานิสสาธุชนทั้งหลายต้องปฏิบัติทาากรรมฐานโดยตรอันนี้เป็นบันต้นบันต้นกรรมฐานตามคาสั่งสองของพระพุทธเจ้าเตตามครูบาอาจารย์อาจจะมีหลายแบบ อาตมาก็เชื่อใจเชื่อใจว่าสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติวิปัสสนาญาณิกมาแล้วใช่ไหมได้เป็นวิปัสสนาญาณิกมาแล้วใช่ไหมใ ช, ใช่หรือไม่ใช่แต่ได้ปฏิบัติธาตกรมฐานมาไหมงงงงใช่ไหม <laughs> ถ้าอยากจะเป็นวิปัสสนาญาณิมีทางเดียวต้องเริ่มปฏิบัติธาตุสีธาตุกรรมฐานเป็นกรรมฐานเบืนน้นต้นถ้าไม่ไปไม่ปฏิบัติแบบนี้ไม่ถูกทางไม่ถูกทางตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด ถ้าเป็นไปได้อัตมาอยากให้โยมทั้งหลายเป็นสมถะญาณิกเหมือนกันทำไมสมถะญาณิกมีสมาดิที่กำลังมากกว่าเพราะฉะนั้นในการรู้และเห็นธรรมลึกซึ้งมากกว่า The stronger the concentration, the better the penetration. Samadi, The stronger the concentration, the better the penetration. เปลยให้หน่อยก <c oughs> ำลังของสมาดิลึกซึ้งแค่ไหนดีแค่ไหนกันรู้และเห็นลึกซึ้งแค่นั้น <c oughs> เข้าใจไหมถูกไหมถูกถ้าอย่างานั้นถ้าสมาดิไม่ลึก ถ้ากำลังของสมาดีไม่ค่อยดีการรู้การเห็นก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันสมาดีของสมถะญาณิกสมาดีของวิปัสสนาญาณิกแตกดังมาถ้าอย่างนั้นวันนี้อาตมาอยากให้ให้กำลังใจทุกคนเดี๋ยว ให้เป็ียนสมถทญ า, านิ้ก่อนดีไหม <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้นี้โยมก็บอกว่าพระอาจารย์อธิบายให้ยาวทางปฏิบัติอนาบานะาน่อยแต่โยมสาธุจนทางไรก็อยากจะเป็นวิปัสสนาญานิกใช่ัหมถ้าหงษ์อามารสอ น, อนอนาบานะไม่ได้แล้ว <c oughs> อตมาสอนสมถะบุคคลที่เป็นสมถะญาณิกทั้งบุคคลที่เป็นสมถะญาณิกและวิปัสสนาญาณิกถ้าอยากจะเป็นวิปัสสนาญาณิกอามาจะสอ น, ท, น, นท่าทกรรมฐานวันนี้ดีไหม <c oughs> ไม่พอเพราะว่าสองคืน สามวานันใช่ไหมใช่หรือไม่ไม่พอวันไม่พอเวลาไม่พอที่จะสอนธาตุกรรมฐา น, นเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาจะแนะนาและอธิบายแนยวทางปฏิบัติอนาบานาสติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งออกคือริยามักองคปดถ้าพูดสั้นๆก็จะเป็นสีนสมาดิปัญญาวันนี้สาธุชนทั้งหลายสมทัติสินสินแปดถ้าบป็นบาตถือสีนหศีสินปดก็พอ แต่พระถ้าเป็นพระสงฆ์พระพิสุทก็ต้องปฏิบัติอย่างมากมายศีลคือศีลสิกขาคือพื้นฐานแล้วต้องปฏิบัติต่อสมาธิสิกขาในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนสมถะกรรมฐานสมาธิสิกขามีกรรมฐานจำนวนเท่าไหร่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนไว้มีกรรมฐานทั้งหมดส0สในกรรมฐานส0่สสิเข้าถึงฌันได้ เข้าถึงอัปนาชานได้ที่เหลือสิทธ์ไม่สามารถเข้าถึงฌานได้เข้าได้เข้าถึงแค่อุปัชาระสมาดิถ้าอย่างนั้น ท, ท, ทัดกรรมฐานทัดกรรมฐานทาดีอยู่ในสิทธ์ไม่เข้าถึงอัปนาชาน สามารถบรรลุแค่อุปชาระสมาดิเพราะฉะนั้นกำลังของสมาดิไม่เท่ากันบุคคลที่อยากจะเป็นวิปัสสนาญาณิกต้องปฏิบัติทัดกรรมทันที่มีอยู่ในสิทธ์ที่สามารถเข้าถึงอุปชาระสมาดิ ตังคมสั่งสงฆาพระพุทธเจ้าวุคุณที่เป็นสมถะยานิกต้องปฏิบัติอันไดอันหนึ่งในสสที่สามารถเข้าถึงอัปนาชันสมาธิไดนน้อนนาบานะอยู่ในาสามสิมดดาอยู่ในสามสิกรูณาอยู่ในสามสิมูดิดาอยู่ในสามสิอุเบคาอยู่ในสสิ เกษินกษินสิทธิ์เคยได้ยินใช่ไหมเกษินสิทธิ์อยู่ในสมสิบสมาบัพปตอยู่นสามสิบอาสุบาภาวนาอยู่ในสาม ส, สมาบอันหนอยากจะปฏิบัติอาจาจะสอน <laughs> วันนี้อนาแค่อนาคตพอใช่ไหม <laughs> ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมากไปนอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้อตาตมาจะอธิบายแนวทางปฏิบัติอนาบานาสติที่ถูกต้องตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอตาตมาบอกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมในปัจจุบันตามครูบาอาจารย์มากมายไม่เหมือนกันแต่ เ, เราต้องปฏิบัติตาม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นอาตมาจะเ น, น้นนำที่สำคัญในเวลาปฏิบัติเราควรนั่งถ้าเป็นไปได้ควรนั่งบนบอกอันเล็กที่วานบงอันใหญ่มีสองบอกอันใหญ่และอันเล็ก อยู่นี่เห็นแค่อันเล็กไม่มีอันอันใหญ่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอันเล็กใช่ไห ม, มถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ถ้าถ้านั่งบนบอกอันเล็กที่วางบนอันใหญ่ช่วยทำให้ร่างกายตั้งตรงไปเองอันนี้สำคัญไม่อยานะ่างนั้นเราต้องตั้งร่างกายให้ตรงด้วยความเพียง เพราะฉะนั้นยังไม่ชำนันยังไม่คุ้นเคยก็เลยทำให้อาการดึงจะเข้ามาได้ก็เลยถ้าในอนาคุตถ้าจะปฏิบัติปฏิบัติบนบอกอันเล็กที่วันบนอันใหญ่อันนี้เหมาะสมถ้าปฏิบัติยาวนานอันนี้ดีที่สุดแล้วก็ควรนั่งแบบเรียนขา แบบเรียงขาเข้าใจไหมไม่ควรทับเ่วังธรรมดาด้านดึงด้นานหลัหงเลยด้านด้านหน้าคย่าได้รองเลยดึนะคะนั่งขัดจมาธิแบบเรียงขานะคะนั่งเรียงขาไม่ซ้อนขานะคะ แล้วควรมือควรวางบนที่นี่ด้านซ้ายด้านขวายัางไงก็ได้แล้วก็ตั้งร่างกายให้ตรงแล้วควรทำให้ใจและกายผ่อนคลายดีถ้าใจและกายผ่อนคลายดีแล้วด้วยหลับตา โยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายควรสังเกตลมเข้าลมออกแถวๆวนี้ในเวลาหายใจเข้าในเวลาหายใจออกมีจุดที่ลมกระทบอยู่ในวิสุดีมักมีคมปฏิบายที่ปรากฏ พุทธะพุทโธกาสีปานาสติินทะปิดว่าบาวินตัสิวะบาวนาสันปิจเจติหมายความว่ามีจุดที่ลมกิลงกิดท่าอยู่พุทธิปฏิบัติอนาบานาสติถ้ากำหนดรู้ลงตรงที่กิดท่าจะสามรถใน การปฏิบัติอนาปานาสติทางานขอถามหน่อยอารมณ์คือจุดกระทบหรือลมตรงที่กระทบลมจุลมตรงที่กระทบหรือจุดกระทบ มีมีคำตอบสองจุกระทป ก, ก็มีโลมตรงที่กระทบ ก, ก็มีอันไหนถูกอันไหนผิดอันนี้สำคัญมากอนาบานะสติกรมะทานคือการกำหนดรูล้ลมไม่ใช่การกำหนดรู้จุกระทโเดี๋ยวนี้เปิดเอไว้ ลงพัดอยู่ใช่ไหมด้านนี้อาตมาไม่รู้สึกลงด้านนี้ก็เหมือนกันเพราะว่ามีจีวรแต่ที่หน้าผัอดอาตมารู้สิกลงเพราะว่ามาสัมพัสมากระทุกเมื่อแต่ลงพัดอยู่ถ้าไม่มากระทุกเรารู้ลงได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาศัยจุกระโทบเพื่อจะรับรู้ลมไม่ใช่จะกการดูรู้จุกระโทโลมที่กระโทบอยู่นั้นหรือลมตรงที่กระโทบเป็นอารมณ์กรรมฐานเข้าใจไหมเนืใจแล้วหรื อ, อยัง จุกระทุบหรือลมตรงที่กระทุบลมตรงที่กระทุถ้าโยางไปกำเนรู้จุกระทุผิดเดี๋ยวก็จะทําให้อาการแข็งอาการดึงจะชัดขึ้นมาถ้าไปกำเนรู้จุกระทุใกลายเป็นทาตกรรมฐานจะไม่เป็นอน า, านาปปานะสติกกรรมฐาน เพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งดูจุกระทบอย่าไปกำลังรู้จุกระทบกำลังรู้ลมตรงที่กระทบถ้ า, างั้นทําให้ใจและกายผ่อนคลายดีแล้วควรสังเกตลมเข้าลมออกแถวแถวนี้ถ้าโยมถ้าสาธุจนทั้งหลายรู้สึกลมที่ใดที่หนึ่งแถวแถวนี้หมายความว่ามันกระทบอยู่แล้ว ใช่ไหมถ้าไม่มากระทบรู้ลงได้ไหมถ้าอย่าน้นถ้ารู้ลงแล้วหม่ความว่าอะไรลงมากระทบอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นต้องหาจุด ก, กระทบอีกไหมไม่ต้องแล้วถ้ารู้สิกลงที่ไหนควรกํานหน่รู้ลงที่นั่นเพราะว่ารู้สิกรู้ลมหม่ความว่ามันกระทบอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหม ถ้าอย่างนันโยงทั้งหลายต้องระ ม, มัดระวงังอย่าไปเพ่งดูจุกทุกอย่าไปกำเนิดรู้จุกทุกถ้าไปกำเนิดรู้จุกทุกไม่มีวันที่จะเรินในการปฏิบัติอนาบานาสติมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขมีแต่ปัญหาไม่มีวันที่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นอยู่นี้เราต้องกำเนิรู้ลมตรงที่กระทบในเวลาหายใจเข้าในเวลาหายใจออกมีจุดที่ลมกระทบอยู่ที่ใดที่หนึ่งแถวๆนี้เราไม่ต้องบังคับจุดกระทบลมที่กระทบอยู่นั้นในเบื้องต้นในเวลาเบื้องต้นยังเปลี่ยนแปลงอยู่ เดี๋ยวก็ปรากฏชาติที่นี่เดี๋ยวก็ปรากฏชาติที่นี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบังคับจุดใดจุดหนึ่งที่จะกำหนดรู้ที่ไหนยอมรู้สึกลงกำหนดรู้ลงที่นั่นถ้าเปลี่ยนก็ยอมรับไม่ต้องไปบังคับถ้าไปบังคับเพื่อจะกำหนดจุดใดจุดหนึ่งเด็ดขาดอันนี้จะก่อให้เกิดปัญหา แต่ถ้าสมาดีดีขึ้นสามารถกำหนดจุดใดจุดหนึ่งตลอดอันนี้อยู่ที่บุคคลที่เจริญสมาดีแล้วแต่ในช่วงแรกเราควรกำหนดรู้ตรงที่กระทบเราควรกำหนดรู้ลงที่ไหนที่ชัก ที่ในเรารู้แล้วเราควรกำหนดรู้ลมอย่างธรรมชาติไม่ควรหายใจแรงๆถ้าหายใจแรงๆก็ผิดเพราะฉะนั้นเราควรกำหนดรู้ลมตรงที่กระทุกในเวลาหายใจเข้า บริการว่าเข้าโดยกรรดูรูล้ลมตรงที่กระทบใ น, นเวลาหายใจออกบริการว่าออกโดยกรโดยการดูรูล้ลมตรงที่กระทบต้องเปลี่ยนธรรมชาติถ้ามีฟุง้งถ้ามีฟุ้งสัน้นจะทำย่างไงจะทำอะไรดีโย เคยทำอะไรมาคิดหนอคิดหนอคิดหนอใช่ไหมอัตมาก็เคยทำมาเหมือนกันเดี๋ยวนี้อัตมาอยากจะเล่าให้โยงฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสมารถไปคุยบาวิทะสมารถดอไปคุยไปคุยยะถาบูดาปะชาณติพิกศุขท้งหลาย จงเจริญสมาดิผู้ที่ใจตั้งมั่งดีแล้วจะรู้จะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงใครจะรู้ใครจะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงจิตใจผู้ที่ใจตั้งมั่งดีผู้นั้นจะรู้จะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงใช่ไหม จุดประสงค์ของการปฏิบัติคืออะไรทำไมโยมทำไมสาธุชนทั้งหลายอยากจะปฏิบัติ Why do you want to practice meditation? What is your purpose of practicing meditation? To p r r s u e the p r a t i h e of yoga is what? Hmm? Me? Eh? Nipan. y o a n t to l e h r a o t Nipan. y o a Why hmm. do you w a t to p a t e เราอยากจะเข้าสู่พระนิพพานมีคําตอบอีกไหมจุดประสงค์ของการปฏิบัติคืออะไรผู้ที่อยากจะเข้าสู่พระนิพพานผู้ที่อยากจะบรรลุพระนิพพานผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากพาัมภาระผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากส a m สาร a วา่า ต้องรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงถ้าไม่รู้ไม่เห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้หรือพ้นจากสามสาระวาตไม่ได้ถ้าองั้นถ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงเราต้องเจริญสมาธิถ้าไม่มีสมาธิ ไม่มีวันที่จะรู้จะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงได้จุดประสงค์ของการปฏิบัติคือเพื่อจะรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงผู้ที่รู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงเข้าสู่พระนิพพานผู้ที่รู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงหลุดพ้นจากส amsara ได้ถ้าอย่างั้น เราต้องเรียนสมาดิสมาดิคืออะไรสมาดิคืออะไรสมาดิคือจิตที่รู้อารมณ์เดียวติดต่อต่อเนื่องผู้ที่สามารถกดรู้อารมณ์เดียวอย่างติดต่อต่อเนื่อนๆ น, น, น, น สมาดิเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นถ้ามีฟุ้งสัน้นถ้าไปบริการว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอมีจิตที่รู้อารมณ์เดียวไหมไม่มีแล้วถ้าอย่างนั้นสามารถเจริญสมาดิได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราเจริญสมาดิตามคําสั่งของพระพุทธเจ้าเราต้อง กำลุรู้อารมณ์เดียวถ้ามีฟุง้งอย่าไปสนใจมันอย่าไปบริการว่าคิดเนอะคิดหนอแค่กลับมาดูเลาโดยวางอุเบกขาต้องวางอุเบกขาฟุง้งฟุ้งต้องวางอุเบกขาไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถเจริญนจิตที่รู้อารมณ์เดียวที่สามารถทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ เข้าใจใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราควรใส่ใจฟูงส่นไหมไม่ควรแค่วางอุเบคาแล้วก็กลับมาดูลงถ้าเราตามความฟูงฟุงสัานมีวันวันที่สิ้นสุดได้ไหม เข้าใจัหย <laughs> ถ้าเรามีกิเลสถ้าเรามีสัญญาถ้าเรามีเวทนามีแต่ความฟุง้งใช่ัหมไม่มีวันวน ม, วนมีไม่มีไม่สามารถไปถึงสิ้นสุดได้ใช่ัหมอันนี้เป็นที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะฉะนั้น อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำไม่ใช่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปบริการเข้าใจไหมแค่วางอุเบกขาแล้วก็กลับมาดูลงแล้วหลัง 20-30 บสสนาที อาจจะมีเวทนาเกิดขึ้นที่ขาวรนที่ขาที่ใดที่หนึ่งถ้าเวทนาเกิดขึ้นยงจะทำอะไรดีเ <c oughs> ยี่ยนนี้ไม่ต้องไปบริการจิตนอจิตนอจิตนอไม่ต้องทำแล้วถ้าไปทำจิตที่รู้อารมณ์เดียวมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะเรียนสมาธิได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปบริการไม่ต้องไปใส่ใจมันแค่วางอุเบกขาแล้วก็กลับมาดูโลกท่มที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ท่ามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรสัสรูเป็นท่ามที่ลึกซึ้งไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าอาตมา putting small bacteria บนบนพื้นที่โยมทั้งหลายกำลังนั่งอยู่ถ้าอาตมาบอกว่ามี small bacteria อย่างมากมายโยมโยมเห็นด้วยกับอาตมาไหมไม่เห็น ไม่ไม่คว้างว่าอะไรไม่เห็นด้วยตาหรืออาตมาถามว่าเห็นเห็นด้วยไหม เ, เห็นด้วยเห็นกับเห็นด้วยกับอาตมาไหมภาษาไม่เข้าใจใช่ไหม <laughs> มีความคิดเห็นเหมือนกับอาตมาไหม ถ้าอาจมาพูดถึงแบคทีรียที่มีอยู่บนพื้นที่โยงถ่ายโยงนั่งอยู่แมื่อเดียม้าเห็นด้วยตาตาเปล่ามีอยู่ใช่ไหมมีมถ้าอย่างนั้นเห็นด้วยไหมเห็นย อ, อ, อยู่นี้ถูกภาษาแล้ว <laughs> <laughs> ภาษาถูกแล้วอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ถูกภาษ า, <laughs> า, ษา แ, แต่ถ้าเรา เอามาใช้ไมโครสโคปเราจะเห็นทันทีใช่ไหมสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาถ้าเราใช้เครื่องเครื่องนอกที่มีพลังสามารถช่วยเราเห็นได้ใช่ไหม ใ, ในธรรมนองเดียวกันธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสอนไว้ธรรมที่พระพุทธเจ้า เราสูเป็นธรรมที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าธรรมที่เรารู้และเห็นนั้นธรรมที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกันแม้แต่ไมโครสโคปไม่สามารถช่วยยมเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงธรรมคือไม่ใช่สิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยเครื่องนอกเราต้องอาศัย กำลังของเราอันนี้คือกำลังของสมาดิถ้าสมาดิเกิดขึ้นแสงปรากฏขึ้นมาแสงนี้ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยหลับตาถ้าสามารถกำานรูล้ลได้อย่างติดตโ่อตอนนั้นนานๆสมาดิ ดีขึ้นสมาธิคกอขึ้นสมาธิที่เกิขึ้นทำให้แสงปรากฏขึ้นมาแ ส, แสงนี้ขอเรียกว่าแสงเห็นสมาธิแสงเห็นปัญญาอน็นี้มีพลังมากกำลังมากกว่าไมโครสโกปเชื่อใจไหม ไม่ต้องเชื่ออตาตมาต้องเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอันนี้คมของอตาตมาอันนี้คมสั่งส่งของพระพุทธเจ้ามีแสงดวงจันทร์แสงดวงตา แ, แสงดวงอาทิตย์แล้วก็แสงที่มนุษย์ทำไว้ แล้วก็มีแสงแห่งปัญญาแสงเห็นปัญญาเหนือกว่าแสงทั้งหมดแสงดวงอาทิตย์จะมากใช่ไหมแต่มีกําจัดลิมิตกําจัดใช่ไหมจำกัดมีความจำกัดมีจำกัมีการจํากัดไม่สามารถทำทุไงได้เข้าใจไหม It it is limited. There's a limit. มีความจำกัด Yeah, we มีความจำกัดไอ้สามารถช่วยเราเห็นเพราะว่าแสงช่วยเราเห็นแต่ถ้าไกลมากไปไม่เห็นแล้วแต่แสงเห็นปัญญาสูงแสงเห็นปัญญาสามารถช่วยโยมเห็นที่ใกล้ที่ไกลทั่วโลกเลย อ น, นี้อ น, นี้มีพลังมากอันี้สามารถช่วยโยมเห็นธรรมที่เป็นความปิจริงที่เล็กสิ่งมากอาตมาเข้าใจสาธุจนทั้งหลายได้ใช้ชีวิต ไ, ได้ปฏิบัติมานานพอสมควรแต่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นธรรมที่เป็นความปิจริงทำไมเพราะว่าไม่มีแสงเห็นปัญญา เพราะว่าไม่ได้จรินสมาดีเพราะว่าทำตามครูบาอาจารย์เพราะว่าไม่ได้ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีฟุง้งแค่วังอุเบกขาแล้วก็กลับมาดูโลถ้ามีเวทนาก็แค่วังอุเบกขาแล้วก็กลับมาดูโล ในเวลาที่เวทนาเกิดขึ้นในช่วงแรกแค่นิดเดียวเราไม่ต้องการวนเรามีความอดทนถ้ายังไม่รบกวนการกำหนดรู้ลมแม้แต่มีเวทนาเราสามารถวางอุเบกขาได้วางอุเบกขาแล้วก็กลับมาดูลมถ้าสามารถกำหนดรู้ลมได้อย่างติดต่อตอนนั้น วทนาจะน้อยลงถ้าสามารถกําหนดรู้ลงได้นานขึ้นมากขึ้นเวทนาจะหายไปแต่ถ้าไม่สามารถกําหนดรู้ลงได้อย่างติดต่อต่อเนื่องวิวทนาจะมากขึ้นถ้าวทนามากขึ้นอันนี้รบกวนกันกําหนดรู้ลงที่สําคัญก็เพื่อจะกําหนดรู้ลงถ้ารบกวนอยู่แล้ว อันนี้เป็นเวลาที่เราต้องขยับตัวต้องเปลี่ยนอิริยาบุถถ้ายยมนั่งแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนแบบนี้ช่วยทาให้รู้สึกดีขึ้นเวทนาก็ผ่อนคลายหรือถ้าอยากจะเปลี่ยนอิริยาบุถใดๆที่โยมคิดว่าเหมาะกับตัวเองก็เปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ในเวลาเปลี่ยนอิดิยาบถ เปียนช้าๆโดยกรคำดูรู้ลงเข้าใจไหมในเวลาดินจงโกรงจะทําอะไรดีในเวลายนืนในเวลานอนในเวลานั่งในเวลาดินจงโกรงในทุกๆอิริยาบถแค่กรคำดูรู้ลงเท่าที่โยมสามารถทําได้เพราะว่าเราต้องจ เ, เจริญนจิตที่รู้อารมณ์เดียว ตังแต่วันนี้เป็นต้นไปอาตมาเนะนำในเวลาดินจงโครมอย่าไปพิจารณาการเคลื่อนไหวแค่กรรมโดยรู้ลงอย่าลืมคำสั่งทร ง, งพระพุทธเจ้าจิตที่รู้อารมณ์เดียวติดตัวตนนั้นทําให้สมาธิเกิดขึ้นรองต้องเจเรียนให้มีจิตที่รู้อารมณ์เดียวติดตัวตนนั้นนันม้แต่เราเปลี่ยนอิริยาบถ ถ้าในเวลาจําเป็นเราต้องเปลีย่ยนอิริยาบถแต่แค่เปลีย่ยนอิริยาบถอย่าเปลีย่ยนจิตเข้าใจไหมแค่อยู่กับลมเปลีย่ยนอิริยาบถแต่อย่าให้จิตเปลีย่ยนไปไปไปทำอันนี้ไปทำอมนนั้นอันนี้ไม่ไม่ควรเราควรฝึกจิตของเราให้อยู่กับลมมากที่สุดเท่าที่ เราสามารถทำได้การปฏิบัติคือการฝึกจิตของเราถ้าผู้บุคคลที่สำเร็จใ น, นการฝึกจิตของตัวเองพูดนั้นจะรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงผู้ที่รู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงสามารถเข้าสู่พระนินพพานผู้ที่รู้และเห็นอริยสัจสีตามความเป็นจริง ก็สามารถเข้าพละสมาบัติพละสมาบัติเข้าใจไหมผู้ที่รู้และเห็นอริยสัจสีเป็นผู้ที่ได้เข้าสู่พระนิพพานได้อยู่แล้วในเวลาที่ในเวลาเราอยากก็สามารถเข้าสามารถอยู่ในพละสมาบัติ ถ้าานนในเวลาดิ้นจนกลุ้ก็แคก่กรรมหนูรู้เราในเวลายืนก็แคก่กรรมหนรู้เราในเวลานอนในเวลานั่งในทุกๆอิริยาบถเท่าที่สาธุกชนทั้งไหลสามารถทําได้แค่อยู่กับลมต่อไปถ้าเราอยากจะรู้และเห็นทรรที่เป็นความเป็นจริงเราต้อง จะเรียนสมาดิถ้าไม่มีสมาดิไม่มีวันที่จะรู้จะเห็นทางที่เป็นความนจริงถ้ า, างั้นอตาตมาเข้าใจว่าโยมทั้งหลายเข้าใจดีแนวทางปฏิบัติอนาบานะสติแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมเข้าใจมีอะไรสงสัยอีกยังสงสัยไหม มีคำทามไมอ๋อใช่ไม่ต้องเดินช้าๆถ้าไม่ต้องไม่ควรเดินเร็วๆเหมือนกันเท่าที่แบบที่เราสามารถช่วยตัวเองเพื่อจะกำหนิรู้เราเราควรปราศ ไม่ต้องเดินช้าๆแต่ไม่ควรเดินเร็วๆเกควรปรับพอๆค่ะถ้ามีคำถามยกมือขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวผู้ประสานงานเดินใหม่ไปให้ค่ะเสียงจะได้ยินค่ะนะคะเพื่อนจะได้ยินด้วยยกมือให้สูงเหนือศีรษะเลยค่ะ กัรเรียนก็เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะเมื่อ ก, กี้ไม่ไม่ค่อยเข้าใจตรงที่ว่าพระอาจารย์บอกว่าเวลาเดินหรือนั่งเนี่ยเรายังต้องดูลมตลอดใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ตรงสัมผัสเวลาเราเดินไม่ได้อยู่ที่พื้นที่เราแตะหรือว่าเราจับสิ่งของไม่ได้อยู่ที่ที่เราจับสิ่งของแต่อยู่ที่ลมใช่ไห<ช>มคะย อ, อยู่ที่สัมผัสม<ช>ันรักษาลมตลอดเลยใช่ไหมคะนกว่าเราจะนอนอใช่คะต้องกําเนรู้ลม ไม่ใช่ว่าต้องกำานิรู้จุดสามผัสจุดสามพัสไม่ใช่อารมณ์ลงตรงที่กระทบเป็นอารมณ์อยู่ค่ะมีอีกไหมคะที่สงสัยฮะยกมือได้เลยค่ะ กราบเรียนท่านอาจารย์นะคะอย่างงี้ก็คือว่าอย่างที่เราเคยนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมมาก็คือไม่ต้องออย่างหนอก้าวหนออย่างนั้นใช่ไหมาอาจารย์หมายถึงอย่างนั้น<อ>ใช่ไหมคะใช่ใชเพราะว่าํามําสั่งสรงของพระพุทธเจ้าแค่ผู้ที่ใจตั้งมั่งดีพูดนั้นจะรู้จะเห็นธรรมที่เป็นความจริงถ้ายังไม่ได้จเจริยสมาดิ ถ้าเราไปพิจารณาการเคลื่องไหวต่างๆเราไม่สามารถรู้ตามที่เป็ี่ยนความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราแค่รู้ผิวเผินเข้าใจไหมถ้าเราเราอยากจะรู้ถึงตามที่พระพุทธเจ้าตรสัสสอนไว้ต้องให้มีสมาธิ ถ้าสมาดิเกิดขึ้นแสงแห่งปัญญาเกิดขึน้นไม่มีแสงใดๆที่สามารถช่วยเราเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงได้มีแต่แสงแห่งปัญญาชนิดเดียวแสงแห่งปัญญาเกิดขึน้นในเวลาที่จิตตั้งมั่งดีเพราะฉะนั้นเราควรฝึกให้รู้อารมณ์เดียวนานๆเท่าที่ควร ่ทาาการเรียนถามผู้จารย์นะคะเวลานั่งสมาธิชอบชานะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าจิตเราอยู่ที่ลมอย่างเดียวเนี่ยพอรู้สึกชาปุ๊บจิตมันก็จะออกจากลมมาที่ขามันก็เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใช่ไหมคะแล้วทำยังไงถึงจะแวะไปที่ลม<อ>ได้ตลอดเวลาขณะที่เราจะขยับขาเพื่อเปลี่ยนนะคะมีสองอาการ เวทนาอาการปวดแล้วก็อาการชาอาการปวดถ้าถึงเวลาก็ต้องปราบต้องขยับตัวต้องเปลี่ยนอิริยาบถแต่อาการชานั้นถ้ายงวังอุเบกขาโดยกรรมหนูรู้โลดโดยสติที่มีกำลังไหนที่สู่อันนี้หายไปถ้าอยู่ไม่ต้องถ้าอยู่ไม่ไปกังวนไม่ไปหวง เค่อยู่กับลมต่อไปด้วยสติที่มีกํกำลังอย่างติดต่อต่อเนื่องโยมเข้าใจว่าอากัรชาจะหายไปเองอากัรชาเป็นสิ่งที่เราทนได้ทนได้หมายความว่าสามารถวางอุเบกขาได้ตอนนั้นยมไม่ต้องการหวงแค่อยู่กับลมต่อไปนนทํานองเดียวกันถ้าสามารถกรเนิดรู้ลงได้อย่างติดต่อต่อเนื่อนาน วทนาก็จะลดลงไปได้เหมือนกันอยู่ที่คุณภาพกรรมนรู้เราถ้าคุณภาพกรรมนรู้เราไม่เปลี่ยนเด็ดอตอนนั่นสมาธิจะไม่เกิดขึ้นวทนาจะมากขึ้นตอนนั้นต้องขยับดูว่าเข้าใจไหมค่ะมีคำถามค่ะกับเรียนพระอาจารย์ครับ รู้ลมนี่คือรู้ที่จุดใดจุดหนึ่งหรือว่าตามลมหายใจไปครับอ๋อไม่ควรตามข้างในข้างนอกในจมูกในนอกจมูกนั่นไม่ควรตามไปเราควรกําหนดรู้นอกจมูกที่ใดที่หนึ่งที่โยมเห็นชาติอ๋อแต่เป็นแอร์เรือของจมูกใช่ไหมครับเนีนอกจมูกปลายปลายจมูกก็ได้แต่ไม่ควรกําหนดในจมูกถ้ากําหนดในจมูก ทำให้ลักษณะโลททำให้ชัดขึ้นมาดูโยมจะจะมีความจะมีปัญหาในเวลาเราปฏิบัติอนาปานสติระมัดระวังอย่าไปกำนูรู้โล่ในจมูกแค่ปลายจมูกหรือที่บนฝีบากก็ได้หรือแถวๆนี้ที่ใดที่เล็ที่โยมรู้สึกโลก็กำนูรู้โลนที่นั่น